พระเคนไม่ที่จะอ่านเท่ออบอกตู้ได้ใช่เป็นตนตัวเป็นหนึ่งเมื่อปวดหนอปวดหนอยิ่งปวดหนัะปวดหนอยิ่งปวดนักเนี่ยนั่งถ้าเวลาพ้องหนอยุบหนออยู่ให้ไม่ได้จริงถ้าเปิปวดขึ้นมาหยุดเลยหยุดพ้องหนอยุบหนออย่าไปกำหนดตอไม่ได้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 เป็นสมถะหัวย่งหนอ้าอย่างหนอเป็นไรเป็นไรเป็นสมถะเสียงหนอเป็นไรเป็นสมถะโดยขึ้นตังอยู่นับไปเห็นของจริงก็เลยอวดหนอเนี่เป็นสมถะต้องศึกษาสมถะแล้ว่าอะไรสมรถะแล้ว่าต้องศึกษาหาความรู้ความรู้จริงเป็นอะไร ไ้โดยเคลื่อนตังอยู่ดาปลปรู้จริงจะเป็นวิปัสนาวิปัสนาคืออะไรอั น, นิจจางทุกขังนะคพรับตลกษณ์โดยเคลื่อนตังอยู่ดาปไปยจึงจะเปวิปัสนาเข้าใจนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดสอบสวนเนี่ยอันนี่กับสมาธินี่วิปัสนาเคลอออือบกับตาทำนี้วิละจาไหมปวดหนอนี่เป็นสมถธสมาะิแปลว่าอะไรอย่าไปแปลแบบวัตถุเนี่ยแปลว่า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 ตายให้ตาเดี๋ยวคืนบบนี้ไปกำหนดปวดหนอปวดหนอตายมาตายเดินจงกรมแม่งหนัเดี๋ยวจะหายสิงถิ่ถ้าหายอยากจะพบของจริงอ๋อข อ, อ, องจริงนี่คืออนนี้กล ง, งทงาาุกขังหน้ากาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแลยพวดเปลี่นยนไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปจึงเป็นวิปัสสนาไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งก่อนเดินเท่าพันเดินหชั่วโมงนั่งหชั่วโมง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 หว่าการเดี๋ยวก็กระดูกงอไม่เป็นไรปวดท่านรู้ไปปวดนอปวดนอเดินมะเดินมะเดินตรงกรเดินหนึ่งชั่วโมงได้ยังต้องต่อไปเดินสองเลยเดินสองนั่งสองตายให้มันตายไม่ได้ต้องให้ได้เท่ากันต้องนั่ให้เท่ากันตายให้มันตายถือใจหน่อ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 ความดีเป็นอุปสรรคมารไม่มีบารมีไม่เกิดกระเสริฐไม่ได้นี่แหละตอบอย่างนี้แลยวสมุถรีหลังไปถ้าไปพูดแล้วกับทางโต ว, วาทีก้องชนะเนี่ยถ้าตูของคุณเนี่คืออุปสรรคใช่หมความทั่วท้าสายมานี่นั่งเนี่ยมารไม่ต้องหาประจน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 เดินทางด้วยธูระธุเรยนก็จะถึงคันโรโก ด, ดีที่เขาคันธมาต้องผ่านเขาวงังกบคดเลื้ยเลืคดตลอดเลยการนี่แหละความดีมันต้องคดลำบากเลื่อเกินหลงทางไปในความอาะัรจะเราป่าจากกลินเจงเดวย ม, มีรลมิตต้นมาครีผลนะห้ามใอ้ไอ้พวกเหลือสือชีพายไอ้คนเสกกระโปกมาปล้ำนางมาัตสึได้ใจไหม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 ให้ช่างก็จยานาเป็นทานไปทำให้ประชาชนชาก ร, รุงศนีอยุธยเทรพระเจ้าเวสินดอนทาไมเนรแทสพระวชินดอนสาเด็จมาผลไม่ได้จำไมใครเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องพ ร, วระวชินอนข้าไม่เห็พรามแตชุกชกเลยมทมอะไรชุกชกพระวชินดอนสาเด็จไม่ได้ม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 อยู่ในตัวคนเดียวกันให้เลือกรวมเราจะค้นพบในเรื่องการานั่งกรรมาฐานมเหนาเดินโดงก็อยู่ในกรรมาฐานโศกเศร้าเสียใจย้อง่หย้องห้งหก็อีเหนาเดินโด่งดูในกรรมาฐานทั้งหมดเพลงโดนตีเด็กถือตะเกียเกิดจากทุบกระชังรดรไม้รีกันไปเพลงชาทุกาลถึงจะเอาเอ า, เอาไม้ไผ่มาผ่าไปลูกกันหน้าใช้ผู้นั้นหายใบยอต ง, ตงติ้งติงก็เพงติงก็เพลงติงเพ เพลงสาทุการอนุมโมทนาที่ทุะวชนดอสํเ้เเ็จมากศิษย์แ่จะทานสองกุมารตายให้แกตาคูสุโคเพลงสาทุการก็เกิดขึ้นเลาผัดทยชูแรงล่าเป็นอนุโมทนาสาธุการ เ, กาเรียยวกับเพลงสาทุการม า, มาขึ้นไหมผัขไทยเมื่อเนี่ยเวลาหนะน้ากรรมถานร้องโฮมร้งองห้าที่ถึงแฟนแน่นหน้าอก พ, กาพางาการผีผ้าเบล์เพลงขยอยเฉล เพลงพยาโศกทันทีนี้ก็เพลงโอดทันทีละมาซีต้อโอดเพราะลูกลกหาง อ, อกแม่ไปเพราะพระเวชนดอนยกให้ตาทีเท่าทูทกไปเข้าใจไหมแต่จ ะ, จะตัดใจได้มามนา น, นเห็นยาเส็ติดมาถึงเข้าใจไหมแมายังให้สลาให้ได้ เราเว้นเส้นนอนเลยยังพละมัตยีให้กับคนอื่นได้เป็นทานส้อเร็จน้องผุ้หญิยากแต่ทำไมพวกผู้หญิงเ่าพระละพระละแสวา ม, มีให้เป็นทานน้องผูได้นะได้ไหมพรละสาวสามีให้เป็นทานมังได้ไหมนั่นก่อนนะอะไรเนาะไม่เดียวหวัง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 เป็นครูมาอาจารย์อย่าพลิกอย่าอายพวกนะี้ออ น, นะเรามีใครสงสัยหั้นกล่าเนี่ยนี่มันจะพูดมาตั้งแต่บ่ายที่หนง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 วนทเทเลทหนึ่งไว้ยาวนซ้ายยาวนออกวนออกก็ไปเมรนอยู่ใจเ้าใจเรียกหนึ่งเขียนได้นะพัฒนาวะเข้าใจไหไม่ต้องกำหนดว่าขาขับไปกไโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไปทำให้มันวุ่นไปทำไมล่ะ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 ให้ช้าให้ให้เล็กเล็กอนอยแล้วกค่อยกลับค่อยอะไมันได้ทั้งนั้นเนาะก็เด็กๆมันก็สี่คู่ไปก่อนที่เด็กมันไม่ค่อยลวเดียดพอ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 คูใหญ่เอาแปคู่ขยายไปไอเด็กเนี่ยมันไม่เคยจะรู้เรื่องเอาแค่นี้จะแย่อยู่เนี่ยจะไปเอาล้วอียดเนี้นเจิตเจริญผู้มีทามันเรียกเก่ยงเยอะแยะเอาหยาบๆไปก่อนเดี๋ยวจะสิดตัวยาบแปลว่าอะไรต้นสิดคืออะไรต้นสิดรู้ไหม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 ถ้ามีกรรมฐานจะทําได้หรือท่านแล้วูลจริงถ้ามีกรรมฐานจะเป็นพระจะไปเสดิจจะทําได้ไหมเนี่ยทําได้หรือเปล่าเนี่ผ้ากราบเดี๋ยวเนี่ยไปทิ้งกันหมดแล้วผ้าเข็นอกเหมือนกันบางวัดออกจากโบสถ์ทิ้งเลยแล้วไม่มีกรรมฐานเลยอยุปชาให้ในโบสถ์แท้ๆกรรมฐานเอาไปชิ้งซะได้ชิงวนาโบสถ์ ถ้ามีก็มาถานทุกองนะจะรู้เหตุการณ์ยังไงทำอะไรจะไม่มีเรื่องมีาราวพระเจ้าสอนชัดเจนมากเมื่อสมัยพุ้จการไม่ควรมีเรื่องเพราะพระส่วนมากเป็นพระทหารเป็นพระผู้มเฉเร็จโสดาบันอย่างสัมพระเดี๋ยวนี้ทำไ ม, มเฉลี่ยโสดาะไรล่ละมาก็มาบวชกันหาเรื่องฮาลลาวกันไปจะไม่มีประโยชน์อะไรอยู่แต่ทําจริงๆอย่างเนี้นั่นเอางัน เดี๋ยแล้วเนี่ยมัเป็นถุโมงครึ่งนั่งถุโมงครึ่งติดต่อตายให้มันตายดูสิจะเกิดอะไรขึ้นภายในเจ็ดวันเดี๋ยวสอบอารมณ์รู้ไว้คนนี้ได้อะไรล่าอาจารย์ที่สอบเขาะจะรู้เลยได้ไม่ได้เขารู้โกหกเขาก็รู้โกหกก็รู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่มีคติธรรมเลยเกิดประการดับชัดเดื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 โควาวาจรก็หามาโยคีผู้ปฏิบัติแล้วสร้างความเพียรให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เรียกว่าโยคีแต่มาจากคาว่าเลอศีชีพลายมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธ ก, กาลและก็โยคีสร้างความดีและภาคเพียรเรี้ยนขุนขวาโยคาวาจรสั่งสอนตัวเองได้จึงเข้าหลักวิธีการที่ชี้แจงจแสดงมาในบัี้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 จำไม่เลยไม่เคยฉันเกิดเพราะนั้นขอฝากผู้ที่เป็นม ย, ยกอกรไม่รู้หรอกจะรู้ได้ยังไงเช่นนอนท้องหนอยุบหนอเนี่ยเราแพ่งดูที่ท้องจะนอนไม่หลับจะนอนไม่หลับจะ น, อ น, จนอนไม่หลับเลยเนะ กลายเป็นเครียดไปเลยเตรงนี้สําคัญบางคนไม่รู้คลายเป็นคนเครียด <c oughs> ต้องผ่อนคลายลงมาถึงจะได้เอามือลงอางมือลงไม่ต้องเอามือลงเวลานอนให้จับว่าหลับตอนพองิยกุกกลายเป็นเครียดเลยครูที่สอนต้องมีนโะยบายด้วย เช่นรู้ว่าจิตออกอย่างไรเราแนะนำเขาเราก็ไม่รู้จิตออกอย่างไรออกไปที่ไหนไม่รู้ถ้าเรามีสติดีนะถึงให้กำหนดว่ารู้หนอทำไมต้องให้กำหนดรู้หนอต้องเข้าสังเกตได้ดีกว่าให้ปัจจุบันกำหนดได้ปัจจุบัน ถ้ามันเลยไปซะแล้วทำยังไงลืมลืมแล้วจะทำยังไงสมมติว่าจิตมันออกไปหรือว่าเราคิดอะไรแต่ไม่ได้กำหนดวิธีแก้ทำยังไงวิธีแก้ทำยังไงผู้ปฏิบาาัติท้ารูใหม่วิธีแก้เพื่อไม่เหตเฉลต่อไป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 จำมาเลยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเรื่องปฏิบัติต้องเข้าใจกาหนดรูหนอรูหนอเพื่ออะไรอฏิกรกรทาไมต้องกาหนดรูหนอเพื่ออะไรเพื่อมาใหดละหมาดต่อไปเข้าใจไ้ยเพื่อมาใหดละหมาดต่อไปถ้าเราไม่กาหนดเป็นยังไง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 เราเรียนเนี่ยต้องหนึ่งเนี่ยต้องโอต้องเดียวคนอื่นเรียกว่าเราชอบถ้าเราไม่ชอบไปฝืนเรียนเนี่ยเป็นวิชาเอกไม่ได้เรียนก็ด้วยงความจำใจใช่ไหมบางอย่างอาจารย์เนี่ยวิชาเอกทางภาษาไทยวิชาเอกทางภาษาอังกฤษเพราะอะไรที่วิชาเอเราชอบเขาจะอย่างไ้หรือเปล่าอย่างยิ้งหรือเปล่าโรเตอร์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 แล้วเรียนเก่งแล้วมีความสุขในการเรียนวิธีการทำอย่างไรถึงจะมีความสุขบางคนเรียนเก่งจิตตกต้องไปอยู่สีสธัญญาเลยระวังในหะ้เรียนเก่งแล้วไม่มีความสุขไม่มีความเสมียในการเรียนจิตตกนี่แกยังไงจะมีความสุขได้ยังไงหามีความสุขได้ไหมยากไม่ยช่ของเล่นถ้าเรา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 ยกตัวอย่างอาตมานี่กลัวผีมาใช่ไหมก็เป็นเด็กแม่ใช่วันคืนไปไม่ได้ไปไม่ได้แน่นอนสองเดินไปตรงโน้นกลัวผีมืดกลัวความมืดแต่นัดเจ้าแฟนไว้จิตผูกพันเดินผ่านป่าชา้าอย่างไปยะเอาเถียงมาใช่เถียงมาเอาตรงไหนมาเถียง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 เราสงสัยแล้วบอกชายเอารถออกไปข้างนอกนี่ที่ที่ที่ทนบุรีนี่มันบบยสระเอารถออกไปถนนนอกเรารู้แล้วไฟจะไหม้ตรงนฮ้เ่พระมาสวดมนต์เนี่ยโอ้เก่งทั้งนั้นจากองค์นั้นก็จะเจอมงนี้จะ่พรหมนมนต์เก่งพอไฟมาหนีเลยหนีเลยไหมยามเยิ่ทิ้งหมดเลยตะมาดูเลยเห็นหนอ